จะถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เราฟังหรือเราทําอะไรเงี้ยเขเห็นที่ยกปือไปด้วยอะค่ะ อ, อัอประสบู่วนตัวรู้สึกว่ามันขัดกับความความพึงชินว่าเวลาเราทํำอะไรต้องทาอย่างเดียวฟังเราก็ตั้งใจฟังฟังด้วยยกด้วยมันเมือนภาษากระโผกแยกไปหลายอย่างค่ะทีนี้ในกรณีที่าตาแล้วก็เห็นก็รู้เรื่องหูได้ยินก็รู้เรื่อง เจ้หมูได้ยินก็รู้เรื่องกินอะไรลิ้นลิมรดกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยแต่ละขณะขณะเรารับจิตขเขาเลยจะมีความถี่ที่สูงมากในขณะเดียวเนี่ยมันสามารถหมุนได้นารอบหกชันณจิตเจดชันวณจิตดังนั้นในกรณีที่ถามว่าเวลาเราฟังถ้าเรายกมือไปด้วยเนี่ยการฟังกะยกมือไปด้วยเนี่ย จิตคนจะโฟกัสตรงไหนซึ่งตัวนี้ก็มีคนถามมาตลอดตามที่หลวงพ่อเราจะมาพิสูจน์ดูแล้วนี่และถามหลายๆคนดูถ้าสมมุติเราตั้งใจฟังจิตจากเจ็ดชม้นจิ ต, ตบีบให้มันเหลือขณะเดียวเนี่ยจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจะเป็นลักษณะเข้าไปในสิ่งนั้นได้ค่อนข้างจะลึกเขาเรียกว่าอินนะนะเมื่อเขาว่า ถ้าสิ่งที่เราได้ยินเราโฟกัสมา ก, มากสิ่งที่เราได้ยินนั้นสร้างความพอใจเราก็จะพอใจได้ลึกมากถ้าสร้างความไม่พอใจก็จะไม่พอใจได้ได้ลึกมากเพราะเรามุ่งไปจุดเดียวใช่ไหมทีนี้ในกรณีที่เราฟังไปด้วยแลาการสร้างจังหวะไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกันแบ่ ง, บงเบาความลึกงนะให้เป็นกลางสมมติว่าการได้ยินอย่างเดียวการได้ฟังอย่างเดียวหรือการได้ทาอย่างเดียวนะ เรามุ่งจิตไปในจุดนั้นน่ะพอมาอีกจุดหนึ่งเข้ามาบาลานเข้ามาเทคบาลานมันก็มาทําสมดุลนั้นปั๊บเนี่ยมันก็อถอยออกมาครึ่งหนึ่งมันจะพอดีคือจิตของเราเนี่ยจะไม่เข้าไปลึกเกินไปเพราะส่วนหนึ่งมันคอยปรับอยู่นะตัวหูที่ฟังตัวนี้เป็นตัวปรับนะมือที่ที่ทําเนี่ยเป็นตัวปรับเหมือนกับเราถ่ายรูปนะถ่ายรูป กล้องเนี่ยคอยคอยจ้องจุดที่อเราโฟกัสที่จะต้องการก็มือก็ปรับไปแล้วก็เล็งหาเป้าที่ต้องการการปรับไปแต่เวลาจุดที่เราเอาคือจุดเดียวนะแต่ตัวปรับนี่ปรับได้เรื่อยๆจุดโฟกัสงั้นโฟกัสเราสมมุติเราเร า, เราตั้งกล้องป๊อเลยถ้าหาเพระเราไม่มีการปรับเนี่ยมันก็จะเบลอหรือมันจะใกล้หรือมันจะไกลตามที่ไม่ได้ต้องการถ้าเราปรับให้พอดีแล้วเนี่ย จุดหมายจริงๆคือสิ่งที่เรากําลังฟังที่เราต้องการจะเข้าใจใช่ไหมตัวโยกมือเนี่ยเป็นตัวปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตมันได้รับรู้สิ่งนั้นไดส้สบายสบายไม่อินลึกเกินไปแต่ในกรณีที่บางคนทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองเป็นกิจกรรมไม่คุ้นเคยเพราะว่าพูดถึงสมาธิเนี่ยเราจะมีอุปทานอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องตั้งจิตเป็นหนึ่งเดียวนะซึ่งเรียกว่าอินเข้าไปสินั้นเรียกว่าสมาถะ แต่พอวิปัสนานี่หมายถึงว่าเราเอาครึ่งเดียวเลือกพอดีนะซึ่งจิตมันสามารถรับรู้ได้ถึงเจ็ดขณะเนี่ยแต่เราเหลือแค่สองขณะมันรับรู้ได้สบายมากแต่ความจิ้งมือสามารถได้รับสามสี่ห้าก็ได้ในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าสองนี่มันจะพอดีแต่ถ้าหนึ่งเนเข้มไปเข้มลึกเป็นสมถะ แต่ถ้าทําแบบวิปัสนามันจะสามารถรับรู้ได้ต้องเดี๋ยวรับรู้ได้ทั่วตัวใช่ไหมสมาชารู้ตัวทั่วพร้อมตั้งหัวจุดเท้าให้รู้ทั่วพร้อมแต่นี่รู้พร้อมแคสองจุดมันรับรู้ได้สบายเพราะฉะนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ที่เรายังทําไม่ได้เพราะเรายังไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองเพราะเราอาจจะคุ้นเคยแต่คอนเซปต์หรือความคิดเก่าๆ ว, ว่าเวลาเราทําสมาธิหรืออาจจะเลินสมรรถความสงบเนี่ยต้องให้ ฟังอันใดอหนึ่งให้เหลืออันใดหนึ่งเท่านั้นเช่คุ้นการนั้นจะมาแต่พอเราทํานี้ไปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะคุ้นแบบสมดุลแบบสบายๆใจของเรามันเป็นการปกป้องใจของเราขณะฟังเนี่ยไม่ให้มันเตลิดไปข้างนอกกันไปในขณะเดียวกันเพราะมันฟังมันก็ไปให้เข้าไปลึกในความสงบเป็นไปแต่มีตัวนี้ไปคอยปรับมาให้ไปไกลและขณะเดียวกันไม่ให้ไปลึกแต่ให้ไปแต่พอดีจิตใจเราก็อยู่ใกล้ เข้าใจนะขอคธิายนะหลอ้กว่ามาอิอะไรอะคะความรู้สึกตัวความรู้สึกออลองโยมลองกมือดิํามือรู้สึกไหมความรู้สึกหนักเบาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่ใครเป็นผู้หนักผู้เบารู้ไหม ใครเป็นผู้รู้ว่าหนักหรือเบาความรู้สึกหนักเบานั้นเป็นเวทนารู้สึกที่เป็นเวทนาผู้รู้ว่าหนักผู้เบานั้นแหละคือตัวปรามัดคือตัวสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่เป็นตัวปรามัดเอาอีกทีนึ่งนะเอามือไว้ข้างหลังกำ ม, มือไว้ข้างหลังขณะนี้มือกรรมหรือมือแบถ้ายมกำรรอยู่หลวงเพราะว่ามือของายมแบเนี่ย อย่าเชื่อหลวงพ่อหรือเชื่อตัวเองนะเพราะความจริงเรารู้ด้วยตัวเองนี่เขาเรียกว่าปรามัดคือเรารู้เท่านั้นคนอื่นไม่รู้กับเราเราเป็นผู้รู้เองคือคนคคนอื่นจะบอกว่าแบบเท่าไหร่เราก็ยืนยันวัดกรรมเพราะฉันกรรมอยู่นี่นี่คือตัวปรามัติเข้าใจไหมคือสิ่งที่เรารู้ด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้ด้วยเรียกว่าปรามัิเข้าใจนะ โอเคอ้าปัญาต่อไปใครบ้างที่เอาข้างหลังส่งมือส่งไม้ให้นะยกมือใช้ไฟส่งไม้ไปถึงมือถ้าถึงพ่อบอกว่าต้นไม้ตัวเนี้รากมันลึกหนึ่งวาเนี่ยเธอจะเชื่อไหม ต, ออตรงนต้ไมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยล่างมันลึกไปหนึ่งวาเธอจะเชื่อไหมไม่เพราะอะไรเพราะว่าต้องขุดาเป็นวาใช่ทิงทึ่งพ่อพูดไปทั้งหมดน่ะเธอฟังเอาไว้แต่เธอไม่ต้องเชื่อเพราะเธอยังไม่ได้ขุดเองหลวงพ่อจะอธิบายจนตายเธอก็เชื่อไม่ได้เพราะเธอไม่ได้เห็นเองใช่ไหม อ่าแต่ฟังไว้ก่อนก็แล้วกันว่าหลังมีโอกาสได้ขุดเองขอเข้าใจไหมโอเคอคนต่อไปไฟฮาดต่อไปทเก่งนะไม่มีใครสงสัยแสดงปฏิบัติได้ดีมากเลยวันนี้ใจได้ดีมากข้เชนไอ้หนูมองมาข้างหน้าน่โมเห็นอะไรบ้างหเปล่า ทั้งบนเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมตอนนี้หนูโฟกัสไปที่ไหนตาในดตาเห็นว่าพุทธรูปไหมใแต่ไม่ได้โฟกัสใช่ไห ม, ไมคือการเมื่อวันก่อนต่อไปทีว่าการเห็นแต่การดูขณะที่เรายกมือเนี่ยถ้าเราโฟกัสไปที่มือเราก็ เราก็ดูที่มือแต่ส่วนอื่นเราเห็นไหมขณะนี้ที่ทางนั่งเนี่ยมันหนักด้วยใช่ไหมเห็นมันไหมแต่เราไม่ได้โฟกัสใช่ไหมขณะนี้เรายกไปเนี่ยหัวไหลรู้สึกหนักหนักนองนวงหายใจเข้าท้องพองขึ้นลงก็มีอยู่ใช่ไหมรู้อยู่ใช่ไหมแต่ไม่ได้ดูแต่ดูที่มือยกใช่ไหมมือไม่ดูค่ะมือไม่ได้ถ้าเราตัวเราเเก็จะต้องใช้มืออยู่ รู้ตัวกับเครื่องมือรูตัวอยู่ยตันงีต่ขณะนั้นใจอยู่ที่ไหนขณะยกมือขึ้นนะ่ะรู้ไหมใจอยู่ที่ไหนตาเห็นนั้นให้เห็นว่าในช่วงที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยใจเราไปโฟกัสอยู่ที่ไหนตัวรู้ก็อยู่ที่นั่นแต่การเห็นการรับรู้ภายในกาย เ, ยเราเรียกว่าเห็น เป็การรับรู้นั่นแหละแต่รับรู้ที่เป็นโฟกัสเรียกว่าดูนะแต่ขณะนั้นจิตไม่ได้โฟกัสที่มือจุดเดียวจุดไหนที่มันมีจุดที่ดึงความสนใจได้จิตก็จะไปจุดนั้นแต่การรับรู้มีอยู่ตัวรับรู้ที่มีอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะตัวที่จิตไปโฟกัสรู้จุดใดจุดหนึ่งเรียกว่า ส, สติหรือสมาธิก็ได้ แต่ในกรณีที่จิตของเราไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ไม่รับรู้ในส่วนที่กำลังมีอยู่ในตัวนั้นเรียกว่าเป็นวิชาสมาธิเพราะไม่มีสัมมัญญะอยู่เลยแต่ในกรณีที่เราดูจุดใดจุดหนึ่งการรับรู้ต่อร่างกายนี้ก็ยังมีอยู่มีเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะมีตัวสัมมัจเะคอยกํากับอยู่เข้าใจไหมอีกทีหนึ่งการรู้การดูการเห็น ทำงานร่วมกันอยู่ฮะมันดีดย่าีันมันมันสามารถรู้โทษตัวไงและได้ยินก็มีกันหนักหน่วงทรงทับเบาสบายคันเจ็บยอกปอกปวดตรงไหนเนี่ยรู้แต่ว่าไม่ได้โฟกัสแต่เราโฟกัสณ์จุดใจุดหนึ่งที่มากระทบที่เราสนใจใส่ใจเท่านั้นแต่เราก็รับรู้ได้ทั้งหมดใช่ไหม การที่เราใส่ใจจุดใดจุดหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับรู้ต่อการปรากฏของการกระทบทั่วตัวเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอวิชาพราไม่รับรู้สิ่งที่กําลังปรากฏแต่ไปรับรู้จุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเราแต่ถ้าเรามารับรู้ในตัวเราด้วยแล้วก็สนใจในสิ่งนี้เรียกว่าวิชาคือการรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อด้วยรู้ตัวด้วย เป็นวิชาเป็นสติเป็นสัมัชัญญะแต่ถ้าเราไปโฟกัสจิตข้างนอกจุดใดจุดหนึ่งโดยที่ไม่รรู้สภาวะที่กำลังปรากฏในตัวเนี่ยให้ชัดๆตรงนี้เป็นรู้แบบอวิชาคือมันรู้ออกไปข้างนอกแต่สิ่งที่ปรากฏข้างในไม่เห็นจุดนี้จึงไม่ใช่เป็นตัว ส, สติไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสัมมาสติเป็นวิชาสติเข้าใจนะอ่ารู้ตัวโอเคอ้าคนต่อไป คำถามสุดท้ายขอส่งไปด้วยดึงหลับตาดึงตานีิว่ากันมาหลายงานแล้วแต่ไม่จบสักทีถ้ามันจําเป็นต้องหลับก็หลับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าหลับในกรณีจําเป็นเช่นขนตาหรือแสงเข้าตาหรือตาไม่ค่อยดีตาอักเสบ หรืออาจจะพักสายตาสักนิดหนึ่งก็ได้แต่ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาเพราะสมาธิจริงๆไม่ใช่เรื่องหลับตาหรือลืมตาแต่เป็นเป็นการช่วยตัวประกอบตาดูหูฟังใจรับรู้จมูกดมกลิ่นริมรดกายสัมผัสให้เปิดทุกส่วนของอินทรีย์ประสาททั้งหดให้รับรู้ตา่าความเป็นจริง มันจะไปเพิ่มให้ตัวรู้ภายในเนี่ยสว่างขึ้นหลวพ่อมัะมจะเปรียบเส ม, มอว่าถ้าหลอดไฟคมหลอดหนึ่งเนี่ยเราเอาสติปหรือเอาไอสกอ็อตเทปสีดำเนี่ยไปพอกไว้พุงไว้ทั้งหกซี่นะเป็นสก็เทปสีดำพุ่งไว้หมดเลยหกซี่หลอดไฟที่สว่างเนี่ยมันจะมืดเลยใช่ไหม แต่ถ้าเราแกะไอเอสติฟหรือสกอิ์ชีดาออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นไฟมันก็จะตัวไงแสงสว่างก็จะผัวมาตามจำนวนนั้นสมมติว่าร้อยเปอร์เซนตเราหุ้มไว้หกชิ้นมิดเนี่ยพอเอาชิ้นที่หนึ่งออกมันก็จะสว่างขึ้นปรมาณสิบเปอร์เซนออกทั้งหมด มันก็สว่างเหมือนเดิมร้อยปเซนฉันได้ประดี๋ยวตาหูจมูลิ้นกายใจถ้าเราปิดมันไว้ทุกส่วนจิตของเราก็จะถึงมันสว่างอยู่แต่การรับรู้มันจะมืดมิดเลยแต่พอเราเริ่มเปิดอาจนะที่อดอตนะอตนะให้รับรู้จิตของเราจะรับรู้ทั้งหมดก็ร้อเปเซนหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราปิดอวั ย, ะ ว, ะยะวะหรืออตนะส่วนใดส่วนหนึ่งไปความรู้เนื้อรู้ตัวของเราจะหายไปยีสิอร์เซอย่างน้อย เพราะงั้นถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ปิดแต่ถ้ามันจะเป็นอย่างที่ว่ามันก็ต้องปิดเหมือนกันหลายครั้งที่มีคนมาถามหลงพ่อเทียนจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเขื่อนไฟฟ้าแรงสูงของเขื่อนน้าพองขอนแกน่นมาพบหลวงพ่อที่วัดวัดโมกขอนแกน่นตอนนั้นหลวงพ่อทีอยู่ที่อยู่ที่วัดโมกหลวงพ่อเทียนโยมคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระอํากันปฏิบัติแบบสมถามานานหลายปี ก็มีเครื่องรางของขังยแย่ไปหมดก็มาพบหลวงพ่อเพื่อที่จะมาถามว่าเครของขังรุ่นแกที่แกใส่อยู่เนี่ยอันไหนมันขังก็ ร, ร่วงพ่อเป็นพระวิปัสสนาคงจะเล่นพระแก่ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากก็นนะั้ะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาก็มาพบมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อสอนวิปัสนาใช่ไหมใช่อแต่ก็ไม่ได้สอนโยมบอกกันได้คุยกันได้อ่า ก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อสอนแบบนั่งลืมตาจิตมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรขณะผมหลับตาผ ม, มยังไม่ค่อยมีสมาธิเลยลืมตา ม, มันไปแปกันใหญ่เลยอ๋อหลวงพ่อก็ถามว่าอา๋อหลับตามาดีอย่างไรก็จิตเป็นสมาธิดีอาเรายมทําแบบไหนามาแบบพุทโธมาทําให้ดูหน่อยได้ไหมได้อ่าเรานั่งหลับตาสักห้านาทีแต่มีข้อแม้ก่อนที่จะนั่งเนี่ยของมีค่าในตัวของโยมทั้งหมดเอามากองไว้ข้างหน้านี้ ก็อถอดหมวกหักเครื่องสร้อยคอนาลีกากระเป๋ า, าเงินแนวมา ก, กองข้างหน้านี่นะอ้าวยมนั่งอย่างไรยุมก็เคยนั่งอย่าเยอ้าวขทักขขวาย า, ายขวักขวายายตรงตร ง, ตร ง, ตรงลงกาหนดลงาให้ใจหลับตาอ้าวยุมทำอ้าพอประมาณสักสองสามนาทีผ่านไปอ้าวยม ลืมตาได้แล้วเขลืมตาขึ้นมาของข้างหน้ายมหายไปนี่หมดเขาไม่รู้ขอรับหลักตาไม่รู้ไหนเ ล, ลืมตาทำจะทำไปหลวงพ่อลวงพ่อบอกให้ยกมือสร้างจังหวัดแต่หลวงพ่อ น, นี่นะทําไปในช่วงที่ฝึกทาําไปหลวงพ่อค่อยค่อยมูกอาของเคลื่อนเอาของที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาข้างหน้า ทั้งหมดเราก็หลวกพ่อก็ะทำตัว น, นี้โยมรู้ระยะของที่มันหายไปเมื่อคืนไปทางไหนหลวงพ่องคลื่อนไปข้างหลังผมแล้วมันมาอยู่ข้างหน้าโยมมาได้ไงหลวงพอขึ้นไว้ข้างหน้าตอนนี้รู้ระยะหลับตาก็ลืมตามันตังแล้วมันดีกว่ากันอย่างไรเจ็ดเลโยโกมคนนั้นนะอ๋อนี่เองคือระหว่างรู้กับไม่รู้เนี่ยอันไหนดีกว่าหลับตากลืมตาอันไหนดีกว่าก็าคือเอาที่ตัวรู้เป็นหลัก ถ้าหลับมันรู้มันก็ดีบางคนลืมตาก็ยังไม่รู้เลยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นเอาการที่มันรู้ใช้ได้เพราะเราเอาตัวรู้เข้าใจไหมโอเคไอ้ส่งมส่ใหม่ไปข้างหลังนู่นเห็นไหมยกมืออยู่อยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราทำงาน่ะคะดูแค่ฟังมคิด เราจะใช้สติตับความคิดตรงนั้นยังไงดีนะ้ะคะสติเกี่ยวกับความคิดอย่างไรดีขณะที่เราทําสิ่งใดก็ตามถ้าใจเราทำอยู่กับสิ่งนั้นการที่ใจเราทําอยู่สิ่งนั้นเราจะเรียกวความคิดก็ได้เราจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เพราะกายกับใจที่ทํางานร่วมกันอย่างชัดๆเนี่ยเราไม่เรียกว่าความคิด เราเรียกว่าปัญญาแต่ ว, ว่าสติปัญญาแต่ถ้ามันทํางานคุณละที่กายทําอยู่ที่ใจไปทําอีกที่หนึ่งนั้นถึงจะเรียกว่าความคิดเพราะความคิดมันที่จะเรียกว่าความคิดได้เนื่องจากมันออกจากตัวปัจจุบันมันไม่ร่วมกับตัวกายมันไปร่วมมันมันมันไปคุยอยู่คุณละและแห่งสมาติว่าจำปฎิรก็ทํางานคุยกันไปต่างถือว่าคนนั้นมีสติปัญญาไหมทำไปคุยกันไป อันนี้จะทํางานด้วยไม่มีสติมีแต่ความคิดเพราะไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่กระทาเพราะนั้นความคิดใดๆที่สัมพันธ์กับการจะทําอย่างตรงไปตรงมาตรงนั้นเลยว่าสติสมชญยะหรือปัญญาแต่ถ้าหากว่ามืออยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งถึงจะเรียกว่าความคิดตึงแดงนะคือออกไปจากปัจจุบันเพราะความคิดมันจะทํางานได้ต่อเมื่อมัน ใสายอดีตอนาคตคือออกจากตัวไปเราเรียกว่าความคิดแต่ถ้าทา ร, ร, รู้อยู่เห็นอยู่ในตัวแล้วก็ทำกับสิ่งนั้นเราเรียกว่าปัญญาใจ้นะโอเคพอแล้วนอ้อปัญหาหมดเวลาสำหรับปัญหาวันนี้คืนไหมมา <laughs> เดี๋ยวจะมีการคำถามแซงขึ้นในขณะฟังบัญญาจะลงบากวันนี้คอร์สต่อเรื่องของ เวทนาช่วงเช้าช่วชาที่ลวงพ่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเวทนาในฝ่ายทําให้ทุกข์มันเกิดเวทนาในฝ่ายเกิดทุกข์ทีนี้ตอนเย็นแล้วก็จะมาว่าเวทนาในฝ่ายดับทุกข์บ้างนะเวทนาในฝ่ายเกิดทุกข์มีกี่อย่างนะมีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาทั้งสามอย่างนี้ ถ้าเราไม่ได้เจริญสติสมาธิปัญญาให้ถูกต้องแล้วทั้งสุขทุกข์และอุกมสุขเป็นสาเหตุให้เกิดตัวกิเลสตัณหาอวทานต่างๆอย่างที่ได้กล่าวแล้วตั้งข้อสังเกตไหมว่าเวทนาสามตัวตอนเช้าที่ว่าสุขเวนาก็ให้เกิดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสิบกว่ารากเนี่ย ทุกเวทนาก็ตั้งแต่ต้นจนจบไปสิบกวรักทุกข์ไม่สุขเวทนาตนจนสิบกวรัมีคำว่ากิเลสอยู่ในนั้นไหมทั้งหมดประมาณสามสิบกว่าอย่างมีกิเลสอยู่ในสักตัวไหมเออแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราใช้กันบ่อยๆแต่ปรากฏที่หลวงพ่ออ้างมาตอนเชา้าพูดตอนเจ้าไม่มีคำว่ากิเลสเลยใช่ไหมตั้งข้อสังเกตไหมขู่งบไม่ได้เอ่ยถึงเลยใช่ไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนของทั้งสามสิบอย่างนั้น อ่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะตัวสุดท้ายของทั้งหมดตัวสุดท้ายของทั้งหมดคือตัวอะไรก็จาได้ไมฮะตัวสุดท้ายของทั้งทั้งสา ม, มสิบกวอย่างนะใช่ตัวสุดท้ายมันคืออะไรอะอะวิชาเลยสวะอ่ะอาอวิชาสวะ ตัวอวิชชาตัวนั้นแหละมันเป็นชื่อของกิเลสในปฏิสุบัดบางครั้งท่านจะอวิชชาตันหาประทานกรรมบางครั้งเราก็ใช้ว่ากิเลสตันหาประทานกรรมใช่ไหมแต่ชาวบ้านน่ยส่วนใหญ่พูดภาษาชาวบ้านกิเลสตันหาแต่ถ้าเป็นภาษาพระหรือภาษาตำราใช้อวิชชาตันหาประทานเพราะฉะนั้นอวิชชากับกิเลสเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไวยพธ่งกันเลยกันเพราะอวิชชาจิตริงเศร้าหมอง เพ<ภ> <BE> ราะอวิชชาเพราะกิเลสจิตถ <boards>. ึงเศร้าหมองเพราะรับแปลว่ากิเลสเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองตัวไม่รู้ก็ทําให้จิตเศร้าหมองแต่เป็นเหตุถ้าจะถามว่าตัวอวิชชากับตัวกิเลสใครเป็นเหตุของใครไม่รู้ก่อนจริงเศร้าหมองหรือเศร้าหมองเป็นถึงไม่รู้นะไม่รู้ก่อนเศร้าหมองหรือเศร้าหมองก่อนไม่รู้อืมเรื่องนี้น่าคิดขขาน้ำหน่อย เขาว่าศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์เนี่ยต่างกันไหมต่างกันคนละเรื่องเลยนะเพราะนั้นอวิชชาเขาจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือว่ากิเลสเจะเป็นศูนย์หนึ่งหรือว่ากิเลสจะเป็นศูนย์หนึ่งหรืออวิชชาเขจะเป็นหนึ่งศูนย์ปัญหาซับซ้อน นั้นจุดนี้ให้ไปพิจารณานะบางครั้งมาว่าโอ้แว่นนี่ไม่มองไม่เห็นเลยเวลาเราไปดูไอ้อน้ำบางครั้งนะไอ้น้ำมาติดหมดเลยมองไม่เห็นการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเป็นอวิชาการที่แว่นไปสูกฝุ่นหรือถูกไอ้น้ําเป็นกิเลสมองไม่เห็นเพราะมีอมันเปื้อน เป็นเหตุปัจจัย้องกันอะไรกันไหมถ้ามันไม่เปื่อนมันก็ต้องเห็นที่มันเปื้อนเพราะไม่เห็นใช่ไหมนั่นคือคำตอบนะดังนั้นในทีน่นี้ตัวอวิชชาตันหาอุปท า, านกรรมคำว่าตัวกรรมก็ไม่มีสังเกตไหมท่งางเช้ากรรมมีไหมในสามสิบตอย่างกรรมมีตรงไหนบ้างไม่มี อยู่ตรงไหนอ่ะอืมแต่ว่าตัววิชาตันหาอุปทานกรรมเป็นตัวย่อของการเกิดกิเลสทั้งหมดนะวิชากินเนื้อที่ไปตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณนามรูป อาญตนะผัสสะแล้วเวทนาตันหาเป็นตัวที่เจ็ดอวิชชาแล้วไปอีเจ็ดขณะไปเป็นตันหาไปอีเจ็ดขณะไปเป็นตัวประธานไปอีเจ็ดขณะเป็นตัวกรรมอ น, นี้เป็นเรื่องวิชาการไปเลยนะเพราะไม่รู้จึงอยากเพราะอยากจึงยึดเพราะยึดจึงมีเรื่องเพราะไม่รู้จึงอยากเพราะอยากจึงยึดเพราะยึดจึงมีเรื่องเพราะมีเรื่องแล้วเป็นไงเป็นทุกข์ ใช่การมีเรื่องเนี่ยเรื่องอะไรว่ากรรมเพราะไม่รู้เราจึงอยากใช่ไหมพออยากแล้วพอได้อยากก็เลยยึดเยยึดแล้วก็มีเรื่องถ้าไม่ยึดก็ไม่มีเรื่องนี่เพราะนั้นตัวกรรมนั่นเองคือตัวมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้มาเราทํากรรมทั้งกายวาจาใจนะสุขเวทนาเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรม ทุกขเวทนาก็เป็นกายกรรมและมโนกรรมก็ได้อทุกขำวิสุขเวทนาก็เป็นทั้งกายกรรมและมโนกรรมก็ได้ขึ้นอยู่ว่าถ้ามันอยู่ที่กายกรรมไม่มีปัญหาแต่พระสติไม่เข้าไปตามรู้ตามดูเห็นก็ค่อยเกิดมโนกรรมคือสบายใจเป็นมโนกรรมแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสบายกใจเฉยๆใจยังไม่ได้ไปรับเอามารู้สึกว่าใจมันกายมันเบานะแต่ตัวนามมันรู้นะ ตัวนามมันรู้อันนี้คือลักษณะของที่ได้กล่าวมาว่าตัวอวิชชาและตัวกิเลสเป็นเหตุของการละกันเป็นเหตุปัจจัยของการละกันถ้าจะถามว่าอาวิชชาก่อให้เกิดสังขารเป็นต้นทูดแล้วแล้วอะไรเป็นก่อให้เกิดอวิชชาถ้าก็ถามอย่างนี้จะว่าไงพราะเหตุไรกระจกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยเราจะตอบว่างไง เอาวันเพื่อนข้างหน้านี่มันเพื่อนไอ้ตัวเพื่อนที่เราตอบว่าไงเป็นอะไรนะเมื่อกี้กิเลสใช่ไหมก็เหตุของวิชาก็คือตัวกิเลส ท, ทีนี้มาว่ากันในส่วนฝ่ายดับบ้างว่าวิชามันจะดับได้อย่างไรแต่เช้านี่หมายความว่าทั้งสามสิบกวเหตุ <c oughs> เป็นเหตุให้เกิดทั้งนั้นเลยเป็นเหตุให้เกิดตัวตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้พอมาในฝ่ายของตัว ดับทูกบังเหมือนที่ได้แย้ไว้นิดหนึ่งจนเช้าว่าถ้าความรู้สึกสบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้มันถึงขอให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกสบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้ถึงขอให้เกิดความรู้สึกสบายใจความรู้สึกไม่สบายกายถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้จึงขอให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ความรู้สึกเพลิดเพลินทางกายไม่มีสติเข้าไปตามรู้จึงก่อให้เกิดความเฉยมมยหลงลืมทางใจ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวสติจึงเกิดขึ้นเพราะทั้งสามตัวนั้นมาจากอาอ น, นิจังทุกขาราตตาแล้วมาสร้างตัวรู้สึกภายในและตัวรู้สึกภายในนี้มันก็มีตัว ทั้งที่รู้โดยบริสุทธิ์และรู้โดยไม่บริสุทธิ์ถ้ารู้โดยไม่บริสุทธิ์คือขาดสติในการรู้ถ้ารู้โดยบริสุทธิ์ก็คือมีสติในการรู้คือรู้แต่กายล้วนๆและใจก็รู้ล้วนๆเหลำพังกายเนี่ยไม่มีใจเนี่ยมันจะรับรู้ได้ไหมถึงสุขทุกข์ไม่รับรู้ เราทาไมน้องพอบอกว่าความรู้สึกสบายกายความรู้สึกไม่สบายกายเป็นเพียงในเรื่องกายยังไม่เข้าสู่พอขาดสติปั๊บมันถึงจะเข้าสู่ใจพอมีสติมันก็จะไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจแต่ความรู้สึกสบายไม่สบายนั้นเป็นตัวนามแล้วใช่ไหมนี่ตัวนี้สะกิดใจไหมเอ๊ะไม่มีใจมันจะไม่มีใจไปรับรู้ต่อความสบายไม่สบายกายมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจได้อย่างไร มีไม่มีใครแยกใครแย่งเลย ต, นน <c oughs> ตอนเช้านะเพราะนั้นความรู้สึกที่รู้สึกต่อว่านั้นเขาเรียกว่ากายยะวิ ญ, ญญาณไม่เรียกว่าสติหรือขาดสติไม่เรียกว่าเวทุกข์เขาเรียกว่าตัวกายยะวิ ญ, ญญาณให้รับรู้แล้วิ ญ, ญญาณตัวนั้นเองทําหน้าที่สีว่าสบายใจหรือไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งรู้รอวิญญาณตัวนั้น แมืก่กจะรู้ว่าเอออันนี้รู้สึกทางกายนะไม่มีความพอใจตัววิญญาณตัวนั้นตอนแรกมันเป็นเพียงกายยาวิญญาณพอมีการระลึกรู้ว่าเอออันนี้เป็นความรู้สึกสบายกายทั้งนั้นใจก็รู้สึกรู้ซื่อๆอยู่ลักษณะตัวนี้วิญญาณทำหน้าที่เป็นสติอ่ะวิญญาณทำและจำได้ว่าอาการเบาอย่างนี้แหละเป็นอาการของความสบาย วินไอตัวรู้ตัวนั้นทำหน้าที่เป็นสัญญานแล้วก็กายก็ปรุงว่าความรู้สบายเนี่ยคอารู้สึกสบายตัวเนี่ยสบายมากหรือสบายน้อยจิตเข้าไปรู้ๆมากน้อยการที่เข้าไปรู้อย่างนี้ตัวรู้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสังขารสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นนามคือสติตัวนี้เป็นปัญหาด้านเทคนิค ฟังไลยเข้าใจหรอกใช่ไแต่หมายคนี่คือที่ไปที่มาของมันที่ไปที่มาของมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาพูดถึงฝ่ายเวทนาเนี่ยถ้าให้มันเป็นฝ่ายดับทุกข์ก็คือว่าเมื่อมันจะตั้งต้นที่ไหนตั้งต้นที่มีสติเข้าไปตามรู้อย่างต่อเนื่องมีสมัมชัญญาและมีการรู้ว่าอะไรมากระทบแล้วเราก็เข้าไปตามรู้ตรงนั้น ตัวสติที่เกิดณนะจุดนั้นเป็นสติที่จะเป็นสติสามพุธชงนะเพราะฉะนั้นสติที่เารารู้เริ่มต้นเป็นสติสามพุชงได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เรายัางศึกษาไม่ถึงแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุดับทุกต้องอ้างถึงว่ามันมีรากของมันเหมือนกันไม่ใช่มีรากไม่ใช่ไม่มีรากนะตัวสติที่เข้าไปรับรู้ต่เมื่อ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดความสบายกายและมีสติเข้าไปรู้มันก็จะเกิดเป็นสติสัมโพชฌงเพราะมีตัวตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรมรมจึงก่อให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเป็นองค์ของการรู้แจ้ง แต่ตัวเรารู้แจ้งนี้ทําให้เราเห็นอาการทั้งหมดรู้เท่าทั่วตัวการที่เราคิดถือพิจารณาอาการที่มันรับรู้ขณะที่ปรากฏขณะนี้รู้สึกหนักใช่ไหแเรวก็เห็นหนักเห็นเบาแล้วก็ไปเห็นหนักเห็นเบานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเดาเป็นรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์เราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญสุขทุกข์หรือหนักเบาที่ตรงนี้ว่าเป็นเดาแต่มันเป็นเพียงความรู้สึก แล้วความรู้สึกอันนี้ก็รู้ว่ามันเป็นเกิดจากเหตุคืออานิจังทุกขังนาตตาถ้าหากทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็ปรับพอปรับแล้วก็รู้ว่าเออสบายแล้วก็ไมสติคอยเสรู้สึกว่าสบายเท่านั้นเป็นเพียงรู้สึกไม่ใช่เราสบายหรือไม่ใช่เราพอใจในสิ่งนั้นการเข้าไปรู้อาการนี้เรียกว่าเป็นรากของอันที่สองของสติเรียกว่าธรรมวิจยะ คือไปวิจัยต่อสภาวะธรรมกำลังเกิดเรียกว่าธรรมวิจชยะเมื่อเขาได้ยินคำนี้ใช่ไหมสําหรับคนที่เคยเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมบ่อยๆคงเอาคงรู้จัยใช่ไหมคำว่าธรรมวิจชยะมารู้จักธรรมวิจัยเคยได้ยินไหมสภาธรรมวิจัยอ่ามีอยู่ธรรมวิเัยคือเห็นสภาวะธรรมที่กําลังเกิดนั้นเข้ามาเนื่องมาจากสติแล้วเห็นลักษณะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ เห็นการทํางานของร่างกายสังขารสุขบางทุกบางสบายบางซอยด้วยจิตชี้ซื่อๆตรงๆชัดๆโดยที่ไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกชนิดนั้นความรู้สึกที่ปรากฏนั้นจะสบายหรือไม่สบายหรือเฉยๆก็ตามเข้าไปรู้บ่อยๆจิตมีโอกาสที่ไปพัดโผหรือไปปรุงแต่งข้างนอกได้ไหมถ้าเรามาพิจารณาแต่อาการที่ปรากฏภายในเนี่ยจิตไปสร้างความคิดในอดีตอนาคตได้ไหม นานเข้านั่นเข้าจิตประเภทนี้ก็จะเกิดความเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกรับร่บอความคิดปรุงแต่งต่างๆ ต, ต, ตัวเบาสบายเกิดจากการไปพิจารณาอาการเฝ้าดูรู้เห็นอาการกายโดยไปโดยตลอดอาการใจไปโดยสัมพันธ์กันโดยตลอดนี่เองโดยที่ไม่เกิดจากการบังคับกดขมให้จิตเป็นแต่ว่ามันเป็นไปเองที่จิตพิจารณารับรู้อาการเคลื่อนอาการไว้อาการหนักอาการเบาโดยอิสระ แต่ว่าไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกอันนั้นตรงนี้จิตก็จะเบาเราเรียกว่าปีติออการที่เข้าไปพยายามที่จะทาอย่างนั้นเรียกว่าวิริยะสัมพูดชงคือการพยายามที่จะให้เห็นอาการเหล่านี้ให้ชัดแต่โดยที่ไม่เข้าไปเป็นอาการเหล่านี้แต่เพียงรู้เพียงเห็นแล้วรักษาจิตรักษ า, าการรู้การเห็นนี้ให้ไปโดยต่อเนื่องเรียกว่าวิริยะสติตรวนั้นนะขยายมาเป็นวิจยะเป็นวิริยะ แล้วก็ทํานี้ไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอาดีตสร้างอนาคตสร้างสังขารปุงแต่งไม่มีทั้งนั้นจิตก็จะเบาจิตเบาโปร่งโล่งสบายอย่างนี้เรียกว่าปีติสัมผูชงเห็นไหมจากสติปัญญาสี่ธรอย่างถูกต้องมันเป็นสติสัมผูชงเลยจากธรรมวิจารมันกลายเป็นธรรมวิจัยเลยจากปีติในองค์ฌานเป็นปีติสัมผูชง นี่คือคือมันเปลี่ยนมาละะักษณะนี้เรียกว่าเวทสุขกเวทนาในไฟดับมันจะออกมาอย่างนี้เอาอะไม่ไม่เข้าใจเพราะปีติของค น, เ, ง น, นเพราะว่าปีติของคนเออาไปคือปีที่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุ อ, อ่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนามธรรมาเช่นว่า ปีติอย่างได้อารมณ์ชาอย่างเนี้ยก็คือปีติน้ำหูน้ําตาไหลเกิดความชื่นตื่นเบิกบานได้ทั้งวันทั้งคืนปีติอันนี้ก็ไม่ใช่ปีติสำเพ็งชงแต่เพราะปีตินั้นมาจิตไปยึดในนิมิตอันใดอันหนึ่งนะเป็นิมิตอันใดอันหนึ่งแล้วจิตไปยึดอยู่ตรงนั้นจิตไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่ามันมีวัตถุอารมณ์วัตถุนิมิตเป็นที่ยึดแล้วภาวนาพุทโธเอาพุทโธเป็นยึด จิตก็ไปจิตอยู่ท like ุกข <Yeah. S 1> ์ทรมลอดภาวนาหนอจิตก็ไปอยู่คำหนอโดยตลอดซึ่งเป็นวัตถุเป็นสัญญาเป็นบัญญัติอยู่ใช่ไหมพุทโธก็เป็นบัญญัติอยู่หนอกเป็นวัดอยู่ในอาการของลมก็เป็นรูปชนิดหนึ่งรูปของลมก็อารมเป็นนิมิตก็ยังเป็นสมถะอยู่พอลมเป็นรูปหรือเป็นนามลมหายใจเข้าออกเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปอยู่ก็ยังเป็นวัตถุของอารมณ์ จิตก็ไปยึดหลุมนั้นเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันเบาสบายเพราะยึดวัตถุอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งจิตเบาสบายปีติที่เกิดขึ้นดนั้นคือปีติในองค์ชานไม่ใช่ปีติสัมโพชงปิติในองค์ชานนั้นเป็นสมถะแต่ปีติในสัมโพชง์เป็นวิปัสสนาอันนี้พวกเราถามนะั่งเพราะไม่ได้ว่าลึกไปเองนะแต่รู้เข้าใจไหมทันนะ นั่นหมายข้อคนที่ที่คุ้นในวงการเรื่องเรื่องการปฏิบัติมาแล้วจะฟังรู้เรื่องแต่คนที่ไม่คุ้นในวงการก็จะฟังอาจจะงงๆอยู่แต่ฟังไว้ก่อนก็นแล้วกันนะดังนั้นความเบาของจิตมีได้สองลักษณะเบาแบบวิปสนาเรียกว่าเบาเพราะปีติสัมพุชชงถ้าเบาแบบสมถะเพราะจิตนั้นไปเอาวัตถุอารมมาพิจารณาไม่ว่า เป็นนิมิตบัญญัติแบบนองพุโทโธสัมมาหังยุบเน้อคลองหนอหรือลมหายใจก็ตามจิตก็เบาได้ปีติแบบในสมถะปิติที่โลภผลหลายอย่างอุกันกายปิติอุทก า, าปีติอุเคนงขาวปีติพารณาปีติแยกไปแล้ ว, วาตามความแรงของปิตนินั้นแต่ถ้าปีติในสัมบูชงมีระดับเดียวมันไม่แยกไป็หลายระดับอีระดับเดียวคือความโล่งโปร่งเบาสบายเย็น และตัวปีติตัวนี้เองเพราะมันสงบเย็นซึ้งเหมือนกับท่านปเปรย์เสมือนกับฝนตกใหม่ๆตกหยุดแล้วนะบรรยากาศหลังฝนตกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปัจสติคือสงบและเย็นแบบนั้นบรรยากาศสงบสดชื่นและเย็นลักษณะจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจสติคือสมาธิในเกิดเป็นสมาธิในสัโพชฌงเป็นสมาธิสงบเย็นแล้วก็ลึกชุมช่มฉ่ำ แต่ถ้าในสมาธิสมัมมาชงเป็นสมาธิที่มันจิต ไ, ไปอยู่อีมิติหนึ่งมันจะไม่ไม่มีตัวสภาวะอารมณ์ในปัจจุบันที่เป็นรูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่ามันเป็นอีมิติหนึ่งเวลานั่งสมาธิไปนานๆเราจะเห็นว่าจิตของเราหลุดไปอยู่อีมิติหนึ่งด่ามันไม่มีตัวเลยใช่ไหมเหมือนไม่มีตัวเราอยู่เลยจิตเราอยู่อีมิติหนึ่งว่าง อีแบบนึงเลยมันหลุดจากตัวปัจจุบันไปเลยพิติอย่างนี้คือพิติในองค์ฌานแต่ถ้าหากจะเป็นพิติในตัวสัมผัสชงแล้วส ม, ธส า, มาธิสัมผัสชงปัจที่สมบูมณ์จะมาด้วยกันมัจะเบาสบายนะแล้วอุเเกรขาในองค์ฌานกับอุเเกรขาในสัมผัสชงก็ต่างกันซึ่งพวกเราอาจจะฟังไม่รู้นะแต่อันนี้จะเชีย่ยเห็นว่าตัว เวทนานั้นถ้ามีสติตามรู้ตลอดมันจะพัฒนาไปอย่างไรมันชนะเป็นผู้ชงเจตนะมันจะพัฒนาไปเป็นผู้ชงเจตแต่เในเชา้าสุขเวทนาหรือสติไม่ตามรู้เท่าทันมันพัฒนาเป็นอะไรเป็นสยโยชนสิบใช่ไหมเป็นสยุยตสิบเลยออันนี้มันต่างกันตรงนั้นทีนี้มาทุกเวทนาในฝ่ายทุกเวทนนาในฝ่าย ดับบงังเมื่อกี้เราว่าสุขเวทนาฝ่ายดับใช่ไมมันเป็นมีสติตามรู้เป็นสัพพชงแต่ทุกเวทนาคือความไม่สบายกายในฝ่ายที่จะดับทุกเน้นถ้าหากมีสติเข้าไปตามรู้มันก่อให้เกิดเป็นสมาธิสุขเวทนาถ้าสติตามรู้มันก่อให้เกิดเป็นธรรมปัญยาปีติปัจิใช่ไหม สมาธิอุเบกขาแต่ถ้าตัวทุกเวทนาที่เรานั่งทับมันอยู่เนี่ยมันไม่สบายกายถ้าเราสามารถปรับจิตให้นิ่งเห็นทุกเวทนาเป็นรู้สึกสักแต่ว่าไม่สบายจิตเราเห็นสภาวะตัวนั้นได้ชัดกว่าทุกทุกได้ชัดกว่าสุขเพราะทุกเวทนารู้สึกไม่สบายอาการมันจะชัดกว่าสุข การชัดกว่าใช่ไหมเห็นภาพไหมระหว่างสุขเวทนากับทุกเวทนาอันไหนที่มีสัมผัสชัดกว่ากันสุขกือทุกทุกใช่ไหมระหว่างกำไฟกับกรรมก้นน้ำแข็งเนี่ยอันไหนมันชัดกว่ากันกำไฟกับือคือถือกำก้นน้ำแข็งชัดกว่ากำไฟแล้วก็ไปคนละเรื่องเลยด้กันอเพาไฟเหมือนทุกเวทนาสุขเหมือนเดือน้ําแข็งเห็ไหมอ่ามันชัดกว่า การที่เวทนามันชัดมากขนาดนั้นแล้วจิตเข้าไปจับโดยที่ไม่ปรุงเนี่ยมันกลายเป็นพลังของสมาธิเลยเพราะสมาธิจึงเป็นตัวที่มีพลังเพราะมันมีพลังของทุกเวท น, นาสูงกว่าอ่าทีนี้สมาธิตัวนี้ความตั้งใจที่เข้าไปจดจอ่อนั้นนักสมาธิส่วนใหญ่ก็จะนั่งในเอทเดียวหรือบังคับเรียบทให ให้อยู่ได้นานเพื่อให้มีปั่นให้สมาธิมันสูงขึ้นโดยสติใช้สติเข้าไปควบคุมระดับหนึ่งถามว่ามีสมัมมชัยแย่ไหมไม่มีเพราะมันโฟกัสอยู่จุดเดียวเหมือนกับเราเอาเล่นเว้าอ่ะอันนี้ฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่ก็ฟังไว้ก่อนก็นแล้วกันนะ <laughs> มันเป็นเรื่องของทางด้านเทคนิคเพราะถ้าคือถ้าไม่ว่าไว้มันก็ไม่ครบสูงทของมนะันน่ะ แต่ว่าคือมันเป็นอย่างนั้นนะนะไม่ใช่ว่าไปชิดว่านะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ที่จะไปรู้เรื่องนั้นนะเหมือนกับเราเอาเลนเว้าหรือเลนนูนเนี่ยไปบังแสงแดดใช่ไหมเรายังไม่ได้ปรับเนี่ยมันก็แสงก็บเบย์เบยเหมือนกันทั่วไปเพราะเรื่องขอการปรับ ปั sea, Respect, ่ไปปั่วมาปั wrong, <laughs> fruits, um, ่ไปปั่วมาจากแสงเบลอๆเป็นวงใหญ่ตั่วไปปั่วมาก็แคบข้าแคบเขาเคยเล่นไหมสมัยเป็นเด็กเคยเล่นไหมหรือยังไม่เคยเป็นเด็กเด็กในกรุงนี่ยไม่เหมือนเด็กวันนอกอย่างพ่อออกมาแล้วเด็กเราเล่นทุกอย่างนะเล่นที่เป็นไอ้ไอ้แบบวันนอกเอามารวมจากจุดใหญ่ๆเนี่ยรวมมาเป็นจุดเดียวเท่าหัวไม่ขีดนี่นะเต็มไง อ่ามันจะไปสองอะไมัก็เบินอันนะั้นมันก็ไม่อันนั้นเลยใช่ไหมแต่ในกรณีที่มันวงใหญ่ๆมันไหมไหมไม่ไม่ไมทุกเวทนาเมื่อถูกอำนาจของสติสมาธิเข้าไปโฟกัสให้เหลือจุดเดียวมันก็กลายเป็นพลังฌานฌานแปลว่าอะไรคุณไปชาปนะกิจศบใครมาบ้างไปเผาเนะนะนี่ะชานปนะนั่นนหะฌานฌานแปลว่าเพ่งแล้วก็เผา นะเผาอะไรถ้าเราเราไปใช้เผากิเลสก็ได้ใช้เผาตัวอารมณ์ก็ได้นะแล้วแต่จุลชาญตัวนี้ก็จะทําให้เหมือนกับเราเอาเหล็กที่มันเป็นสนิมะมันซุบชื้นใหม่เพเผาให้แล้ร้อนแรงแล้วก็ปรับนะตัวนี้เองสมถะทําให้เกิดพิปิสนาถ้าเรามีสติปัญญาเข้าไปกํากับกําลังตัวนี้เอาไปใช้เผากิเลส แต่ถ้าเราเพ่งพิจารณานี้โดยที่ไม่มีสติไม่มีสมัมมาสติไม่ไม่มีสัมบัญญาปัญญาเข้าไปใช้มันก็จะไปสร้างพลังฤิ์เดชปฏิหารขลังศักดิ์สิทธิ์ไปทางนู้นเลยใช้ไปทางพราหมณ์เลยทีเนี้ก็ให้เกิดพลังอํานาจรู้นั้นรู้ น, น, นี้พิเศษกว่าธรรมดาเกิด mm hmm. เห็นเกิดรู้อะไรแปลกแปกแตกต่างไปในมิติต่างๆที่คนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นแต่คนนี้เห็นได้เพราะเขาสามารถโฟกัสจิตให้เป็นจุดเดียวแล้วเกิดจิตสว่างขึ้นมา ก็กลายเป็นพราหมณ์ไปถ้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเพราะฉะนั้นฌานที่เกี่ยวข้องด้วยเอาวัตถุเป็นอารมณ์จึงเป็นพลังในแง่ของขังศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนิเดศแล้วในพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็ไปเล่นในจุดนั้นใช่ไหมแต่ละวัดมีเครื่อนละขังเต็มไปหมดวัดไหนไม่ขายเคลื่อนละขังวันั้นก็อยู่ไม่ได้เขาก็ถึงใช้วิชาพราหมณ์มากกว่าวิชาพุทธเพราะวิชาพุทธมันเป็นนามธรรม ถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณไม่สนใจเรื่องนี้ก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาแต่ถ้าหากวชวนไปหาพระเครื่องไปอ ท, ทําสมาธิเพื่อได้เลขได้หวยได้เบอร์พาไปหาพระที่บอกหวยบอกไปกันตุ้มเลยนะแต่ชวนนี่ศาสนาโอ้โหจ้างให้มาก็ยากอยู่นะอันนี้ที่ที่มันที่มันยากอ่ะถ้าชวนไปหาพระที่บอกหวยแล้วไม่ต้องห่วงนะไปหาพระเครื่องนะไปกอันนี้คือใน ประเทศไทยของเราจึงมีผู้ศาสนาแบบพราหม์เยอะกว่าแบบพุทธเพราะว่าเอาวัตถุอารมณ์เป็นที่ตั้งมันเห็นชัดมันสัมผัสได้แต่ถ้าเอาปรมตธอารมณ์เป็นที่ตั้งมันเห็นไม่สมเห็นไม่ชัดสัมผัสไม่ได้ด้วยจิตที่เป็นสังขารแต่สามารถสัมผัสเห็นชัดได้ด้วยจิตที่เป็นวิสังขารอัเป็นคําใหม่แล้วจิตเป็นสังขารวิสังขารกันเมื่อวานว่ามาแล้วใช่ไหมยังอ่ะ ว่าไปแล้วนะจิตเป็นวิสังขารคือเมื่อเขาเอาคิดเอาเรื่องวัตถุมาเป็นอารมณ์แต่จิตที่เป็นวิสังขารคือคิดเอาตัวสภาวะมาเป็นอารมณ์ อันนี้ค่อยศึกษากันไปแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าใจวันนี้ถ้าเข้าใจวันนี้มันจะไวเกินไปแต่ไม่แน่บางคนวุีิภาวะจิตสูงมากสามารถเข้าใจได้ตลอดเลยนะสิ่งที่พูดมาเนี่ยหรือคนที่มีประสบการปฏิบัติมา ก, ก่อนเข้าใจได้เลยดังนั้นตัวทุกขเวทนาที่มีสติสัมมาถสติเข้าไปกาหนดรู้มันก็จะเป็นสั ม, มาสมาธิ และสัมมาสติมันก็ขยายเป็นตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมกายานุปัสนาจิตานุธรรมานุปัสนาขยายเป็นสัมมาสติอีกห้าก็คือปฐมฌานทุทธิฌานตัติยฌานจตุฌานและฌานปฐมฌานก็มีองค์ห้าคือในช่วงที่จิตกําลังตั้งอยู่โฟกัสอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีวิตกวิจารปิติสุเอคคตา อยู่ครบแต่พอไปขึ้นชา้นที่สองพิธีวิตตวิจารนห า, หายไปเหลือแต่ปิติสุเอกตาพอขึ้นไปชาน้นที่สามพิธีสุเอคาตาหายไปเหลือแต่ตัวสมาธิพอไปขึ้นชา้นที่สี่ตัววิตตวิจารณ์ปิธีสุเอคาตาหายไปเหลือแต่อุเบกขากับสติเพราะฉะนั้นที่เรามีสติกําหนดรู้ตัวซื่อๆเนี่ยตัวนั้นเป็นชา้นที่สี่เลยนะเพราะนั้นพิปัญนาของพระโพเทียนไปเอาชา้นที่สี่เลยชั้นหนึ่งสองสามไม่เอา เป็นเช้าไปให้มีรู้สึกตัวซื่อๆนี่แหละเป็นชาที่สี่ไม่ใช่ตำตำนั่นแหะแต่ใครทําได้รู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวซื่อรู้สึกตัวคือสติซื่อๆคืออุปเฆาแต่ส่วนใหญ่เรารู้สึกตัวซื่อๆไหมไม่ซื่อนะรู้แล้วไปรู้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยในเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้แบบไม่ซื่อมันถึงเข้าชาที่สีไม่ได้ไงแต่ถ้าเมื่ อ, อไรทําอยู่เงี้ยทํำทุกวันทุกวันน่ะชาจนกระทั่งรู้สึกตัวเฉยๆ ไม่ปรุงแต่งเป็นนั้นเป็นนี้ไม่เป็นเราเป็นเขาไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นซื่อๆนั่นคือตัวอุเบกขาพรนะังนั้นเองเราจะเห็นว่าตัวรากของทุกขเวทนาที่มีสติสัมยะเข้าไปแล้วมันจะเป็นสัมมา ส, ม, ม, าส ม, มาสมาสติสี่แล้วสัมมาส ม, มาธิอีห้าในขณะเดียวเป็นเก้าแล้วรากของมันนะนะเอาละที่มา เวทนาอาทุกขมสุขเวทนาในฝ่ายดับทุกข์มัง่งทําทันไม่ทันก็ต้องว่ากันนะั้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่จะในสูตรของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ความจริงมันก็เป็นอย่างเนี้แต่เนื่องจากาบางคนอาจจะเข้าใจบางคนไม่เข้าใจฟังไว้ก่อนก็นแล้วกันในอาทุกขมสุขดเวทนานั้นตามที่ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นทางกายทําให้เราเพลินเพราะว่าสุขก็มไม่ใช่ทุกข์มันเฉิงก่อให้เกิดความเพลินในอารมณ์นั้น พมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สบายความเพลินที่ความสบายในยอารมณ์นั้นกึ่งๆึกลางเนี่ยเราเข้าไปาเสพอารมณ์นี้ปับ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวหลงตัวเหอเรียกว่า อ, อุเปกขาวเวทนานหนเลอเฉยเมยไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่กำลังเกิดเพราะมันไปเพลินในตัวนั้นทีนี้ถ้ามีสติตามรู้ ถ้าขาดสติตามรู้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกไปขาวเวทนาเป็นโมหะเป็นอะไรไปใช่ไหมตอนเช้าอ่ะแต่พอถ้ามีสติสมยติตามรู้ทุกข์กมาสู่แม้แต่ว่าควารู้สึกสบายๆเราก็ไม่เพลินไม่หลงไปกับอารมณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นอาการเหล่านี้ชัดเจนว่าอ๋ออาการอาการที่หลงเพลินวม่สบายแบบ แบบตัวทุกขโมยสุขเนี่ยมันไม่เหมือนสุขเวทนานะคือสุขเวทนานี่มันมันสบายเกินไปแต่ทุกขโมยสุขเวลามันกึง่งกึ่ขขงกลางกลางว่าสุขก็ไม่ใช่ใจทุกข์ก็ไม่เชิงมันก็นให้เกิดความเพลินได้ง่ายนะแต่ตัวสติสมญาที่เราฝึกอยู่นี่ก็แหลมคมพอว่าเอออันนี้มันอ่ามั น, ม, นมันรู้สึกสบายๆนะไม่สุข คือพอดีอะไม่สุกเกินไปไม่ทุกข์ก็พอดีตัวการเข้าไปรู้จักแต่พอดีนี่เองมันก็นำไปสู่ตัวปัญญาเลยการมีสติตามรู้เข้าไปเห็นตัวสภาวะไม่สุขไม่ทุกนี้ให้ทำให้เกิดปัญญาการมีสติตามรู้ตัวสุขเวนนาทำให้เกิดสติใช่ไหมการมีสติตามรู้ทุกเวนนาคอยเกิดสมาธิการมีสติตามรู้ทุกขมสุเวนากลางกลาง้เกิดตัวปัญญา และตัวปัญญาตัวนี้เป็นองค์ของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะอันนี้ภาษาตำราคือหมายของว่าเราไปเข้าใจสภาวะความเป็นหญิงทั่วไปได้ถูกต้องขึ้นเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องมันคืออะไร ถ้าเราเข้าใจร่างกายนี่อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงตามหลักของสมมาทิฐแล้วเราจะเห็นอย่างถูกต้องที่เป็นสมาทิเราเห็นร่างกายและชีวิตนี้เป็นอย่างไรเป็นสี่อย่างคือหนึ่งเป็นที่ตั้งของทุกสองร่างกายนี่เป็นที่ตั้งของเหตุเกิดทุกสามร่างกายนี่เป็นที่ตั้งของการดับทุกสี่ร่างกายนีเป็นที่ตั้งของวิธีการดับทุกอยู่ในนี้หมดเลยก็มีปัญญาเห็น อริยสัตว์นั่นเององค์ของสัมมาทิทิคือเห็นอริยสัตว์ตามความพระจริงก็ได้แก่ตัวเห็นตัวอัตุควมสุขเวทนานี่เองถ้าเราเข้าใจความรู้สึกสบายๆแบบไม่เกินไป สบายสบายแบบไม่ทุกข์เกินไปส บ, สบายสบายแบบไม่ถุกเกินแต่มนละเอียดหน่อยแต่เราก็เห็นได้ตัวนี้เป็นเกิดปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิและตัวสัมมาทิฐิที่ถูกต้องก็คือมาเห็นชีวิตด้วยหลักของอริสสีนี่คือรากของคาว่าสติที่เกิดในอัุกคมสุกนะคือสัมมาทิฏฐิและอริสีแล้วก็ไปเห็นเมื่อเห็นอริสสีแล้วก็จะเกิดสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกปปะมีกี่อย่างสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกสัมมาสังกัปปะแปลว่าคิดถูกคิดถูกคิดอย่างไรถึงจะถูกที่เราคิดทุกวันเนี่ยที่เราคิดถู ก, นน ค, ถกคิดแบบไหนหนึ่งเนคขมะสังกปะคือคิดที่จะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็ตามที่มันเป็นความอยากหาเรื่องที่จะออกจากมันเราเคยอมองว่ที่จะคออกจากความอยากของตัวเองเนะี่ย มีเจตี่จะตอบสนองนั่นแหละนะคิดตึงกันครับอยากอะไรฉันก็ตอบสนองได้ทันทีแต่อู้อยากอันนี้ไม่อยากเลยอันนี้ไม่เอาอร่อยเกินไปทําให้ไม่อร่อยเดี๋ยวมันจะเฟินมีไหมเอาน้ำมาเทให้หน่อยที่เนี่ยมันรสอร่อยเกินไปเอาน้ามาร่าดให้หน่อยไม่มีไม่เตจะจะปรุงให้อร่อยเท่านั้นแหละนะหนึ่งคิดจะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่คิดถูกแบบสมสัสกษาปานคิดถูกละ อะไรที่มันแต่ตอนที่อยากอย่าเพิ่งกินแต่ไปกินตอนไหนตอนที่หิวต่ไม่อยากก็กินไม่ได้หรอวเ <c oughs> ชียวไหมต้องไปกินตอนที่มันหิวเพราะหิวกับอยากเนี่ยอันไหนเป็นกิเลสอันไหนไม่ใช่กิเลส <c oughs> อยากเป็นกิเลสแต่หิวเป็นเป็นธรรมเพราะเป็นธรรมชาติของกายที่ขอต้องการส่วนใหญ่เรากินตอนหิวหรือตอนอยาก ตอนเนี้นนะั่นแหะเราไม่เคยคิดว่าตอนนี้มันยังไม่อยากเราไม่กินมีบ้างไหมมีนะบางคนคนภานนอกเขากินก่อนเถอะตอนนี้ยังไม่อยากเราหิวค่อยไปกินคนภายนอกเขาพูดอย่างนั้นเขาตรงสภาวะมากดังนั้นเวลาเราอยากเออเอาไว้นั่นก่อนอย่าเพิ่งกินหิวเวลาค่อยไปกินอันนี้ถึงเวลาอยากไม่อยากก็หิวไม่อยู่ก็กินนะ ม, มันถึงได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บคนเยอะแยะนี้ ได้พ่อพูนสั่งสมเอาละ่ะทีนี้แต่ไประเด็นให้ทันนะไม่ทันที่พูดน่าดูเลยที่พูดวันนี้นะสับสวนน่าดูเลยนะแต่ก็ไม่ได้จงใจให้สับสวนแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นหลักความจริมันเป็นอย่างนั้นจําเป็นต้องหาให้ไปตรงนั้นก่อนก็นแล้วกันในตัวอทุกข์มาสุกเวนาตัวสุขครึ่งครึ่งกลางๆลทุกข์ครึ่งกลางกงไม่พอสุขก็สุ ข, สขไม่มากทุกข์ก็มาทุกข์ไม่มากพอ พอทนได้สบายๆนี่แหละถ้าเราไม่หลงเราไม่เพลินเราเห็นอาการตรงนี้ชัดเสมอโดยที่ไม่เพลินและไม่หลงตัวนี้กลายเป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้ก่อให้เกิดตัวองค์มรรสองตัวทีเดียวคือสัมมาทิฏฐิกบส ม, มาสังกัปปะและในตัวสมมาสังกัปปะตัวนี้มีองค์สามประการหนึ่งก็คือคิดที่จะออกจากความอยาก อ, อ, อ, อันที่สองวิหิงสาสังกปะคือคิดที่จะไม่เบียดเบียนตนเองอภิยาปาทะสังกปะไม่เบียดเบียนคนอื่นทําอะไรก็ได SI ้ upa, คิดยังไงก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดคนอื่นค <t> ิดได้ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เราคิดมาไม่เบียดเบียนตัวเองก็คนอื่นโดยปริยายคิดมากนอนไม่หลับเบียดเบียนตัวเองไหมคิดมากโล่มากเบียดเบียนตัวเองไหม คิดมากโกรธมากเบียดเบียนตัวเองไมคิดมากหลงมากรักมากเบียดเบียนตัวเองหมรักมากก็เบียดเบียนตัวเองใช่ไหมหลงมากก็เบียดเบียนตัวเองเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้เกิดตัวปัญญาตรงนี้แต่ถ้าเกิดปัญญาตัวนี้โอ้คิดมากก็เบียดเป็ยนตัวเองนะโลภมากก็เบียดเป็นตัวเองหลงมากก็เบียดเบีนตัวเองพอเห็นว่าอันไหนก็ตามที่จะอันไหนก็ตามความคิดแบบไหนก็ตามที่จะทําให้ตัวเองไม่สบายไม่คิดเรื่องนั้น ความคิดแบบไหนก็ตามที่คิดไปแล้วไม่ทําให้คนอื่นไม่สบายก็จะไม่คิดเรื่องนั้นนี่เรียกว่าคิดถูกนะได้คิดถูกถ้าคิดไปแล้วตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ไม่สบายหรือตัวเองสบายคนอื่นไม่สบายหรือตัวเองไม่สบายคนอื่นสบายอย่างนี้ก็ไม่ถูกทั้งนั้นนะให้มันตลอดภัยทั้งสองด้านลักษณะนี้ตามภาษาตาาําราเขาเรียกว่าเนคมะสังกปะอวิหิศาสกปะแล้วก็อภพยาปาระรักสังกปะคือการดําำริน การออกจากกรรมตำหนิการไม่พยายามบาตรตำหนิในการไม่เบียดเบียนะตามภาษาของเขาแต่ว่าเอามาแปลแล้วมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเราจะเห็นว่ารากพุทธของเวทนาทั้งสาในฝ่ายดับทุกข์ก็ยิ่งละเอียดซับซ้อนเข้าไปอีกแต่เราจําเป็นต้องรู้เอาไว้ว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคําสอนที่ไม่ใช่มั่วมีเหตุมีผลมีหลักมีการเหมือนหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่าง แต่ที่เราไม่รู้เข้าไปเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เท่านั้นเองที่ถ้าว่ามีโปรเจคเตอร์หรือมีทีวีดีๆเขาอยากเอาชาัดมาฉายให้ดูว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้สี่ของเราไม่พร้อมเทรานั้นก็จำเป็นแต่ว่าพูดป่าอๆเงี้ยเข้าใจไม่เข้าใจนึกภาพเห็นชัดไม่ชัดก็นึกออกให้ชัดก็แล้วกันว่าแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามีชาติในทีวีโปรเจคเตอร์นั้นมันจะเห็นภาพชาัดทําเป็นชาติออกมาตัวไหนโยงกับตัวไหนเนะี่ย นะดังนั้นพร <c oughs> นะพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือตรัสรู้วิยทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมามันเป็นไปเพื่อสันติและนิพพานแต่นักวิยทยาศาสตร์ไม่รู้รอบเหล่านี้เอาวิยาทยาศาสตร์ทางรูปธรรมมาเผยแพร่ก่อให้เกิดความรุ่งโรจนและมอมเมาไปทั่วโลกเลยแล้วปก่อให้เกิดสงครามเพราะแย่งชิงวัดภุสาแย่งชิงรสชาติกันใช่ไหมในที่นก่อให้เกิดตัวสงครามอย่างที่เราเห็นทุกวัน แต่ก็ยังสิงผลประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อรู้ชาติอดีต อ, อร่อยตอบสนองอายตนาทั้งหกให้มันได้อย่างใจแต่เมื่อมันจะขาดหายไปไม่ยอมตายก็ไม่ยอมใช่ไหมก็ได้สู้รบ ก, กันเพื่อที่ได้สแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาเป็นของตัวเองแล้วตัวเองจะได้สแสวงได้กินอร่อยทุกมือ้อได้รถหอมทุกมือ้อได้สัมผัสนุ่มเนี่มทุกวันได้สนุกสนานทุกคืนอย่างเงี้ย มันไม่ยอมเสียสละตร่ง น, นี้ใช่ไหมต้องการหวงสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะมันไปยึดติดในความละเอียดของวัตถุแล้วก็ได้ลบได้ลาได้เร็วกันอนย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ก็นึ่งมาจากเราไปหลงตัวเวทนาสุขเวทนาเท่านั้นเอง น, นะแต่เมื่อเรามาดูรากดูรูปมานะโธถ้าหากเราเกิดปัญญานะ เราก็จะไม่รุ่งหลงเราก็จะไม่สนุกสนานกับมันแต่ถ้าเรายังวุฒิภาวะปัญญายังไม่ถึงมันก็สนุกสนานอยู่เรื่อยไปแล้วถึงจะรู้ธรรมะขนาดไหนก็ยังสนุกในเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะพุทธิภาวะทางจิตไปไม่ถึงความรู้สมองถึงนะเหมือนรถบางรุ่นนะ่ะคุณจะขับไปไกลขนาดไหนแต่คนขับมันไม่เก่งพอเนี่ยรถคันนั้นพังอะ่ะใช่ไหมไปเกิดอุบัติเหตุ เพราะนั้นถ้าเปรียบเสมือนลดวุตวิถภาวะของจิตก็คือคนขับวุติภาวะของเครื่องก็คือร่างกายและสังขารมือนสมองดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาธรรมะแล้วมันก็พัฒนาไปสองด้านพัฒนาทั้งที่ทเป็นกายภาพเรือรูปธรรมในส่วนที่เป็นจิตภาพไปจิตภาวะก็คือนามธรรมเนี่ยลูปกับนามให้เบื้องต้นให้รู้สองเรื่องนี้ก่อนให้ชัดเจนที่สุดเนีไย เราปฏิบัติเพื่อให้รู้รูปรู้นามก่อนเบื้องต้นให้รู้รูปก็เห็นรูปเป็นรูปไม่ใช่เห็นรูปเป็นเราแต่เมื่อไรยังเห็นรูปเป็นเราเห็นเราเป็นรูปอยู่ก็ถือว่ารู้แต่ยังไม่เห็นรูปจะเห็นนามเป็นเราไม่ใช่เห็นเราเป็นนามเห็นนามเห็นเราเป็นนามแต่ส่วนใหญ่เห็นนามเป็นเราเวลามากระทบปั๊บเข้าผมไม่พอใจคุณจะว่าไง แต่ไม่ได้คิดว่าเออนี่เป็นความรู้สึกไม่พอใจนะมันไม่ใช่ผมหรอกขณะนี้มันมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะคุณจะว่ า, างไงแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมไม่พอใจนะแต่มันมีความรู้สึกอยู่คุณเช่วยพวกหน่อยสิรู้สึกทิ่งที่คุณพูดมาทําให้ตัวรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นในตรงนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันมีอยู่ในใจของผมคุณจะว่างไงเช่วยพวหน่อยสิถ้เาเคยคุยตั้งแบบนี้ไหมถ้ามีใครมาด่าดหน้าเราเนี่ยเราเคยคุยแบบนี้ไหมไม่เคยถ้าคุยแบบนี้มันมีเรื่องไหม ม, มีอีกคนมุก็จะเห็นใจนะโอ้ผมขอโทษด้วยครับที่ผม้ทาให้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะขอโทษผมไม่มีเจตนาจริงๆนะแต่ที่ไหนได้ก็จะนึกอย่างนั้นได้คำปั้นมันไปก่อนแล้วน ะ, ะหรือคําพูดมันยิงไปก่อนแล้วเนะี่ยเพราะเราเห็นนามเป็นเราเห็นเราเป็นนามอ่าไม่เห็นเราเป็นอรูปเป็นเราไม่เห็นเราเป็นรูปเพราะฉะนั้นการรู้จักรูปนามตัวความรู้สึก เหล่านี้มันจะลดลงทันทีเลยมันจะเต็มไปได้วยความเมตตากรุณาเต็มเต็มไปได้วยความเห็น อ, อกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่มีใครที่ต้องการให้ทุกข์หรอกแต่ที่เราทําให้เกิดที่ว่าเราทุกข์หรอกเพราะเราไปเข้าใจผิดเท่านั้นเองควาจริงคนอื่นเขาไม่เจตนาให้เราเป็นทุกข์หรอกแต่เราไปทุกข์เอาเองในบางครั้งนะตอนนั้นแค่เห็นรูปนามให้ถูกต้องแค่นี้แหละโลกนี้เย็นไปตั้งเยอะ กายใจของเราก็เย็นไปทังเยอะไม่ต้องไปรลุธรรมขั้นสูงเลยเนี่ยพวกเราแค่แ่สัมผัสคุณธรรมพัสดาบันแค่นั้นนะพรัสดาบันไม่ใช่อะไรมากเห็นลูกนามเราความเป็นจริงเท่านั้นนะคือเห็นลูกเป็นลูกเห็นนามเป็นนามแต่นี้มันคล้อยกันจะเห็นลูกเห็นเราเป็นเราเห็นเราเป็นลูกเห็นนามเป็นเราให้เราเป็นนามไม่ใช่เป็นเห็นนามเป็นนามเห็นเราเป็นเรานะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ละเอียดดอกไม่ละเอียดอ่อนดอก แต่เรายังขาดประสบการณ์เท่านั้นเองถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้เบ่อยได้ยินได้ฟังเว่ยบ่อยได้สัมผัสบ่อยๆได้พิสูจน์เยบ่อยเดี๋ยวมันจะคุค้นเคยไปเองเดี๋ยวมันจะสัมผัสเดี๋ยวมันจะชัดเจนไปเองโดยที่เราเหมือนกับเดินทางอะ่ะถ้าเราเดินทางอย่างอดิมาเดินทางจากกรุงเทพมาที่เนี่สองรอบสามรอบเราก็ยังจําทางนี้ไม่ค่อยได้เลยถ้าไปมาถัาสิบรอบเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วกันนะหาทางลัดอีกต่างหากใช่ไหม เหมือนกันประสบการณ์ทางจิตก็เหมือนกันถ้าเราได้รู้ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติสิ่งนั้นบ่อยๆเดี๋ยวมันเกิดทักษะของมันเองไม่ยากแต่ที่มันยากเพรเรายังไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองมืนอยมที่ถามเมื่อกี้เอ๊ะนั่งสร้างจังหวะไปด้วยฟังไปเรื่อยมันจะรู้เรื่องไวเนี่ยมันยังไม่คุ้นเคยเดี๋ยวคุณสร้างจังหวะเปิดชัดสบายฟังก็เข้าใจดีถ้ามันคุ้นเคยแล้วนะเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยนี้ท่านใช้คําว่าทักษะใช่ไหม ทักษะความเชี่ยวชาญำนาญดังนั้นเวลาเราไปพูดถึงเรื่อง skillful เนี่ย skillful จิตที่เป็นกุศลโอ้ unfortunately I forget y อยู่มณี very wonderful really, very very very very c o m p l i c a t e so maybe I cannot explain you r language eh? somehow I mean you can read my mind No need to listen my voice. You h e a e what? a just heard. Because you h e a e the language, y o e h e I see, I see. I see. Stomano. Stomano. Isawan Dupu. Okay. When we talk about it, the root of Happy feeling. The root of that. If you don't aware of such a happy feeling, such a happy feeling has the mental feeling. Such a mental feeling we call s u k a v e t a n a or so m o n a s a v e t a n a So m a n a s a e t a n a the happy feeling. So if a h a p p y feeling pop up, but you not be aware of that again. such a somana s a v a t h a n a cause o t h e thing we call entertainment or uh, occupy such a feeling huh? so when you feel h a v such a feeling you don't have any mindfulness don't be aware of that also cause other root of suffering again and the end we call dhama s v a กรรมสม call sexual sensual leak or sensual influence s ึ่ง uh, sensual feeling dominate you completely b e c a s e sensual influence influence you again s a ่ง a ำให้เกิดค e ามทุกข์ควา he ุกข์ e ี่ม o รากฐาน f ึกซึ้งนั้นเราเรีย a ว่ากรรมสมาวิซึ่งซับซ้อ t อันก็ทุกข์ทรมาร์ย์ได้สิ a ธ a s รรมะสวะตัณฑ e นโอเคอันนั้นเวลาเราทำขวาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วเนี่ยมันสนุกนะมันมีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะมันคิดถึงแต่เรื่องนี้แล้วก็ชีวิตของเรามันก็เห็นตัวเป็นสภาวะเป็นกลางทั้งหมดเลยเห็นได้ทุกอย่างเสมอกันและชีวิตมันก็จะไม่อัพไม่ดาวแล้วไม่อัพแอนดาวแล้วมันก็สมูทไปเรื่อยๆ เ, เป็นชีวิตที่ ห <oger> น้าศึกษาแม้ว่าวันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ค่อยศึกษาอ que que Everywhere, คอยพิจารณาค่อยค่อยๆคนคอยทําไปมันก็ค่อยลืมภาวะเป็นหญิงเป็นชายไปแล้วเห็นรูปเป็นเห็นหญิงเป็นรูปเห็นชายเป็นรูปไม่ใช่เห็นรูปเป็นหญิงเห็นหญิงเป็นายเห็นรูปเป็นชายถ้าเราเห็นรูปเป็นหญิงเป็นชายอยู่มันก็ยังมีความรักความชังอยู่ใช่ไหมมีความชอบไม่ชอบอยู่แต่เมื่อเราเห็นรูปเป็นรูปเห็นภาวะความแตกต่างก็เป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงเปลือกนอก มันก็จะจิตของเราก็จะเบื่อหนายครายจังสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันก็จะถอดถอนความรักความยึดมันม่นถือมั่นความชังความอะไต่างออกไปมันก็เหลือแต่ความเมตตาสงสารโอ้ทุกคนเป็นทุกข์เหมือนกันหมดนะไม่มีเราไม่มีเขามันมีแต่ความรู้สึกเป็นทุกข์มีความรู้สึกไม่สบายมีมวิธีใดเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากทุกข์อันนี้ก็ช่วยกันอันนี้คือจิตมันก็จะเริ่มเข้าสู่มีเมตตา อันใชว่าไม่ม่เมตตามีการุณาคุณของพุทยิามีกี่อย่างมีกี่อย่างหนึ่งพระปัญญาคุณสองบริสุทธิคุณสามพระปัญญาคุณใช่ไหมเพราะเราปฏิบัติแบบนี้มันทำให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาแล้วมันก็จะไปทำให้จิตสะอาดบริสุทธิคุณใช่ไหม เมื่อจิตสะอาดแล้วมันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเกิดกันมันเป็นมันรักกันไม่เป็นแต่มันกรุณากันกรุณานี่มันไม่ใช่ความรักนะมันเหนือความรักเขาเรียกโนบลเลฟไม่ใช่คอ m มอนเลฟเป็นโนบลเลฟเป็นความรักที่เหนือความรักคือรักในทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ถ้าหากว่าความรักธรรมดาคือความรัก เฉพาะเจจงที่เราชอบรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องของเรารักแ่นรักผัวรักเมียของเรารักลูกของเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรุณามันรักเสมอกันหมดพระริเจ้ารักพระราหุนกับเทวทัตเท่ากันไม่ใชพาะหุ่นพระลาหุนเป็นลูกฉันรักมากกว่าพระเทวทัตทําให้ฉันลำบากฉันรักน้อยกว่าไม่ใช่องั้นรักเสมอกันเพราะต่างคนพระราหุนก็ดีเทวทัตต่างก็มีทุกข์เหมือนกัน แต่เพราะความไม่รู้จึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้เราพูดถึงรู้ถึงรากถึงเงาในส่วนไฟดับทุกที่เกิดจากเวทนาว่าทุกเราจะดับโดยอาศัยตัวสติเป็นตัวหลักเราถึงมาเจริญสตินั้นมีทางเดียวว่าจ ะ, จะเจริญสติอย่างไรให้มันถูกต้องเนี่ยอย่าไปถามาว่าสติเป็นรู้สึกอย่างไรสติที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ถามอย่างนี้บ่อถามเรื่องบ่อยๆ Was it the right mindfulness? You try to ask yourself very often Was it the right mindfulness? What is the right awareness? Try to ask yourself and try to looking for that again and again until you get the point of that. That's it. You can get t h e way out of sin suffering. Okay. นั้นใ น, นช่วงเย็นวันนี้เราจะสรุปเรื่องเวทนาไว้เท่านี้นะแล้วก็พรุ่งนี้มันจะขึ้นเรื่องใหม่พรุ่งนี้เรื่องอะไรจิตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นเวลาคนไหนปฏิบัติยังสงสัยอนุนั้นนี้อยู่ไปไม่ทันก็เล็บบีหาย ทิ้มไว้ข้างหลังก็เลยกันนะ <S <S 1> <S 1> เลยพิหายเราก็ไปข้างหน้าของเราเราื่อยๆใครตามทันก็ตามให้ตามให้ทันก็เลียบพิหายเหมือนกันนะ <S <S แต่ว่ามันไม่ยากหรอกถ้าเราคิดเอาน่ะถ้าเราไม่คิดเอานะาเราคิดว่ามันยากแต่ถ้ารู้สึกเอามันง่ายๆแต่พูดถึงสิ่งที่มีอยู่แต่เพียงแต่ว่าพยายามหน่อยเท่านั้นเองจะลุกจะนั่นจะย่งจะเดินให้รู้สึกตัวจะหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวภาพต า, าปากให้รู้สึกตัวแค่นี้แหละ ทำแค่เนี้ยแต่ทําไมต้องอธิบายมันยืดยาวเพราะว่ามันเหมือนเราบอกเอาหินมาหนึ่งก้อนถ้านักวิทยาศาสตร์เอาหินได้ไปวิจัยโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมถ้าเป็นเราก็หินก้อนหนึ่งไม่มีอะไรเนี่ยแต่นักวิทยาศาสตร์อหินก้อนนี้ไม่ใช่ธรรมดามีแร่สารพัดอย่างในหินก้อนเนี้เหมือนกันผู้ที่อธิบายเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนวิทยาศาสตร์ทางจิตนะดังนั้นก็ขอให้นําไป ศึกษาไปพิจรารณาไปพิสูตร์ทำความเข้าใจจนสามารถเห็นสภาวะเหล่านี้ใน ใ, นใจของเราจนรู้แจ้งเห็นจริงในมักในผลด้วยการทุกคนุูท่านเือ